ขอเจริญพรพระอาจารย์นัคุณหมอนักพยาบาลทุท่านถ้าพูดถึงความตายในทัศพุทธศาสนานเนี่ยเท่เจ้าเคยตรัสว่าความตายเนี่ยมันมีอยู่ทุกขณะความตายมีอยู่ในชีวิตความเจ็บป่วยมีอยู่ในความไม่มีโลกและความแก่มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาวฟังดูเหมือนกับว่าจะเป็นปรัชญาใช่ไหมครั แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ทางวิทยาศาสตร์เราก็จะพบว่าคนเราเนี่ยพันธุ์ที่เราเกิดมาเนี่ยความแก่มันก็เริ่มขึ้นแล้วทางทิศที่เราเกิดมาเนี่ยความตายมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วกับเซลล์นะกับเซลล์ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายนะในทางการแพาย์ตรงนี้เราก็พบว่าการที่เราจะมือมีมือเนี่ยเป็นเป็นเป็นท่ามืได้เนี่ยมันก็เพราะว่าไอ้เซลล์เซลล์ที่อยู่ตรงตรงระหว่างระหว่างนิ้วเนี่ยมันตาย ใครที่ดูสารคดีของ B B C เรื่องยิม a n Body นี่จะเห็นได้ชัดเลย ว, ว่าความตายเนี่ย ม, มันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วก่อนจะเกิดด้วยซ้ำนะฮะเพราะ ถ, ถ้าเราถ้าเราไม่มีความไม่มีการตายในระดับเซลล์ไอการที่เราจะมีชีวิตอย่างปกติก็คงเป็นไปได้ยากพราะฉนั้นในงานพุทศาสนาเนี่ยความตายกับชีวิตมันไม่ได้แยกจากกันเหมือนกับเหมือนกับสุดปลายสุดหเหมือนกับโคนหรือปลายต้นไม้นะฮะ แต่ว่าความตายมันปรากฏในทุกขณะทุกขณะทั้งทางกายและทางจิตใจแต่ว่าความตายนี่มันก็จะแสดงตัวเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดีในความแก่ก็จะแสดงตัวชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่ากลายเป็นท่อนไม้นะเพราะฉะนั้นในความตายเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมัน มันเป็นมันก็อาตมาเรียกว่ามันเป็นสเปกตรัมที่มันค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าถึงจุดหนึ่งเราจะบอกว่าตรงนี้ชีวิตอีกด้านนี้ฝ่ามตายมันไม่ใช่เช่นนั้นนะเราประนักแปลกเพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาตมาเพิ่งได้ในนิวทยาศาสตร์ริเดอร์เดยเจสเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็บอกว่าเวลาที่ในทางการแพทย์เนี่ยมันมันระบุเวลาเสียชีวิตที่แน่ชัดนี่เป็นไปได้ยากแล้วคือมันเป็นมันเป็นสเปกตรัมนะฮะ เหมือนกับรถนะฮะรถเนี่ยเวลาเครื่องมันแล่นใช่ไหมพอเราหยุดพอเราปิดเครื่องเนี่ยรถมันก็ยังแล่นต่อไปถามว่าเราจะเอาความเราจะวัดความตายที่ไหนเราจะวัดความตายตรงที่รถมันหยุดหรือว่าตอนที่เราปิดเครื่องนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของนิยามนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้พูดเพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยจะขอข้ามไปถึงเรื่องของ จุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตที่เรียกว่า อ, อย่างไรจึงเรียกว่าตายนะเมื่อหมดลมนะหรือว่าเมือม่อเมื่อหัวใจหยุดเต้นหรือว่าสมองไม่ทา ง, งานในทงางเมืศาสนาเนี่ยเราก็มองว่าคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยสอส่วนคือ ก, กายกับใจนะความตายที่สมบูรณ์เนี่ยที่เรียกว่ากลายเป็น่อนไม้เนี่ยปราศจากวิญญาณเนี่ย มันต้องเกิดจากการดับหรือการตายใน2ระดับในสองด้านคือในด้านกายและด้านใจ ใ, ในด้านกายเนี่ยในทางพุทธศาสนาด้วยเพราะทางทิพเบสเขาพูดเรื่องนี้ไม่ชัดเจนนะฮะอาตมาจะขอเอาแนวคิดแบบทิพเบสนี้มาพูดแบบทิพเบสนี้มาอธิบายก็คือว่าคนเราเนี่ยประกอบด้วยในส่วนรูปเนี่ยก็จะประกอบด้วยดินน้ำไฟลมความตามก็เริ่มเป็นขั้นตอนจากการที่ ธาตุดินก็เริ่มเสื่อมสลายไปธาตุดินก็คือว่ากล้ามเนื้อการมีเลือกมีแรงจะเริ่มไม่มีเลือกไม่มีแรงแล้วก็ธาตุน้ํามีปัญหาเรื่องว่าหิวหิวน้ําบ้างผิวปากแห้บ้างผิวแห้งบ้างหรือว่าบางทีมันมากเกินไปเช่นน้ำํำหูน้ำตาไหลต่างๆแบบนี้เป็นต้นธาตุน้ําเริ่มแปลกปลวนแล้วก็ธาตุไฟธาตุไฟก็เริ่มร้อนเริ่มหนาวนี่มันจะเริ่มเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆหนาวขึ้นเรื่อยๆ อาจจะจากเท้าขึ้นมาหรือจากศรีรษะลงไปและสุดท้ายคือ่าหลมก็คือหมดลมนะฮะหมดลมแต่หมดลมแล้วนี่ยังไม่ตายนะฮะยังไม่ตายยังต้องผ่านกระบวนการแตกดับทางจิตนะฮะอีกสามสี่ขั้นตอนเนืเพราะฉะนี้ในทางที่เบนนี่แม้ว่าหมดลมแล้วเนี่ยเขาก็จะยังไม่ทำอะไรกับศพเพราะว่าในช่วงที่จิตกำลังกลังผ่านการแตกดับทางสุดท้ายเนี่ย เขานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรักษาจิตเอาไว้ให้ให้อยู่ในสภาวะที่ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะที่เหมาะกับการไปสู่สุขติหรือว่าไปสู่การยกระดับทางจิตวิญญาณอาจจะถึงขั้นหลุดพ้นนะอันนี้เป็นประเด็นรายละเอียดแต่ประเด็นก็คือว่าในพระศาสนานี่ถือว่ า, า, า, วาแม้หมดลมแล้วเนี่ยยังไม่ตายมันเป็นเพียงแค่การตายของทางฝ่ายกายในฝ่ายจิตเนี่ย ก็ยังถือว่ายังไม่ตายสมบูรณ์นะถ้าเทียบไปก็เหมือนกับว่ารถเนี่ยมันหยุดปิดดับเครื่องแล้วแต่รถก็ยังวิ่งต่อนะฮะจนกว่ารถเนี่ยจะจะจะหยุดสนิทอันนั้นถึงเรียกว่าตายอย่างสมบูรณ์ตนนี้คนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการเมือกในเมื่อสมองเมื่อหมดลมหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ลมหาย ลมหายใจหมดไปสมองไม่ทำงานเดี๋ยวเราจะเรียกว่ามีชีวิตอยู่ได้ไหมอาตมาคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ยังไม่ดับทีเดียวความคิดแบบนี้อาจจะสวนทางหรือขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะที่มองว่าไอ้จิตนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกจิตนี้ก็คือสมองนั่นเองนะ เมื่อสมองตายจิตกระดับแต่ท่านลศาสสับอกว่าสมองตายจิตไม่ดับจิตจะไม่ดับทีเดียวนะแล้วเวลานี้มันมีข้อมูลใหม่ๆทางการแพทย์ที่ทําให้เราเราสงสัยตั้งคําถามเลย ว, ว่าอจิตจิตกับสมองนี่อันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันแค่อินกั น, นเฉยสมองตายแต่จิตยังอยู่นะเมื่อเมื่ออาตมาจะยกสองสากรณีขึ้นนะ ซึ่งเป็นเป็นกรณีของของฝรั่งเองคือกรณีของของไทยเนี่ยบางทีเราได้ยินเสมอว่าคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาแต่ของฝรั่งเนี่ย ม, มันเราพบว่าการรับรู้ของการรับรู้ของจิตเนี่ยบางทีมันไม่คยอิงกับสมองเท่าไหร่หรืออิงน้อยมากเมื่อมันเคยมีเคสเด็กอายุเจ็ขวบเนี่ยแกจมน้ำอยู่ในน้ํา20นาทีนะยีนาทีแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยสมองบวมนะความเป็นกรดในเลือดสูงมากโอกาสที่จะตายมีสูง แต่ว่าผ่านไปสามวันเด็กก็ฟื้นขึ้นมาเด็กฟื้นขึ้นมาแล้วพอเด็กเขาเจอหมอเนี่ยเด็กเขาจําหมอได้แล้วบอกเด็กจําหมอได้ทั้งที่ไม่เคยเจอหมอมาก่อนและยังรู้อีกด้วยว่ามีหมอสองคนที่รักษาก็คนนึงมีนวดไอ้คนหนมีคราวคนไม่มีคราวแม่ก็สงสัยว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าตอนที่เด็กเด็กเสลดเนี่ยเด็กไม่รู้เด็กไม่เห็นหมอเลยเด็กบอกว่าเด็กเห็น ขณะที่หมดสติอยู่ท่าให้ตอนนั้นเนี่ยสมองบวมใกล้จะตายแล้วเนี่ยสมองนี่แทบเรียกว่าไม่แทบจงไม่ฟัง์ชั่นแล้วนะฮะแต่ทำไมทาไมถึงเห็นเห็นหมอและเด็กสามารถที่จะบรรยายบรรยายสภาพในห้องได้อย่างถูกต้องอีกกรณีนึงผู้ใหญ่อยู่44นะฮะแต่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันพาพาไปส่งโรงพยาบาลต้องรีบทำการการกระตุ้น ให้หใจห้ให้ใ ห, ใหัวใ จ, จทำ ง, งานก่อนที่จะสอดท่อเข้าไปนะพยาบาลก็เอาฟันกลอมออกนะหนึ่งอาทิตย์ต่อมาคนไข้าหายเป็นปกติเจอพยาบาลถาม่าคุณใช่วยทมที่สอดฟันปลอมผมเห็น <c oughs> <He S 2> ได้ยังไงฮะตาปิดหัวใจหยุดเต้นสมองอาจจะทำงานได้กับเแผ่วๆอันนี้กรณีเช่นนี้เนี่ย ไม่ได้มีการตรวจว่าสมองแบบกรณนนีแรกแต่ก็คงเราคงจะทราบดีว่าสมองคงจะทํางานไ ม, ไม่ได้ดีเท่าไหร่เห็นได้ยังไงเอาอะไรเห็นครับไม่ใช่ตาเห็นแน่แล้วเห็นด้วยอะไรครับเพราะฉะนั้นการเห็นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อิงอยู่กัรบระบบประสาทเสมอไปเห็นด้วยใจเห็นด้วยจิตครับและตรงนี้เนี่ยอาตมากำลังอธิบายว่า้การที่สมองไม่ทํางานหรือสมองจะตายเนี่ยนะหรือสมองที่ ไม่สมองที่เขาถือว่าไม่ไม่ทํางานได้อย่างเต็มที่เนี่ยยังสามารถจะรับรู้ได้นะและเวลานี้เขาก็พบ ก, กันเวลานี้ก็ศึกษากันมากขึ้นก็พบ ว, ว่าแม้กระทั่งคนที่โคม่าหรือคนที่อยู่ในสวัสะที่เป็นผักสวัสดที่เป็นผักก็คือสวาสดที่สมองถูกทําลายอย่างมากนะก็เพียงแค่หายใจได้นะเขารับรู้ได้ฮะ แล้วเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ทางทางหมหาวิทยาลัยที่ที่เคมบริดจ์ในอังกฤษเขาก็ทำการทดลองแบบป เ, ปเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือการใช้เครื่อง MRI MRI เนี่ยสแกนสมองของคนที่เป็นผักซึ่งเราคิดว่าเขาไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเนเพราะสมองเขาถูกทำลายมากเปรากฏว่าเมื่อใช้เครื่อง MRI สแกนไปที่สมองขณะที่ หมอกำลังต้อตอบกับคนไข้หมอหมอบอกคนไข่ว่ า, าให้คุณแต่แรสื่อสารด้วยคำพูดก่อนบอกกว่าคนไข่รับรู้ได้ะรับรู้ได้เพราะว่าไอไอสมองส่วนที่ทำงานด้านภาษาเนี่ยมันสว่างมันสว่างแสดงว่ามันทำงานได้และเป็นและความสว่างและพอเขาสแกนสมองเนี่ยเอาไปเทียบกับคนธรรมดาเนี่ย แทบจะแทบจะไม่ไม่ต่างกันเลยหมอบอกคนไข้ว่าคุณให้คุณจินตนาการว่าคุณกําลังเล่นเทนนิสและคุณกําลังเดินไปที่เดินไปเดินไปในห้องปรากว่าสมองส่วนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับไอไอไอมอเตอร์เนี่ยการการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันสว่างฮนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาเนี่ยเขาบอกเนี่ยไอสอไอสมองสองซีกเนี่ยซีกนึงเป็นคนที่เป็นพักอีซีกนึงเป็นคนธรรมดาแทบจะไม่ต่างกันเลย แสดงว่ารับรู้ได้รับรู้ได้หรือพูดอย่างอี่นคือว่าจิตมันยังทำงานได้เหมือนคนปกติแต่ไม่สามารถจะแสดงออกมาได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับที่อีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นผักสมองก็ถูกทางานก็เป็นผักนะหมอเห็นหมอก็หมอก็ไปบีบไปบีปบหัวแม่คาวเพื่อทดสอบว่าตอบสนองหรือเปล่าบอกว่าคุณไข้ไม่ตอบสนอง แต่ต่อมาคนไขยก็ฟื้นขึ้นมาได้เขาบอกไอ้ตอนที่หมอบีบนี่ปวดเหลือเกินอยากจะบอกให้หมอหยุดหมอหยุดแต่พูดไม่ได้นะอันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่ามันมันเรื่องเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าไอ้ไอเรื่องของการรับรู้เนี่ยนะส่วนหนึ่งมันอิงกับสมองนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันมีอะไรมากกว่าสมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาก็เลยมีความ ค่อนข้างจะค่อน้าเชื่อตามแนวพุทามวพุทธว่าแม้ว่าหัวใจจุดจุดเต้นแม้จะหมดลมแม้จะแม้จะสมองเราสกแกนสมองแล้วสมองหยุดทำ ง, งานแต่คิดว่าการรับรู้ของจิตหรือซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของชีวิตน่าจะยังมีอยู่นะแต่ว่ามันหมดไปเมื่อไหร่อันนี้เราไม่ทราบนะในทางที่เบก็บอกเขาจะเก็บเขาจะเก็บศพ เ, เ, เอาไว้ประมาณอย่างน้อยเนี่ยวัน แต่ก็พบว่าบางรายเนี่ยศพบวัน2ี่สิบวันก็ยังไม่เน่าทั้งที่มันไม่ใช่เป็นทั้งที่้ั้งที่อยู่ในอินเดียในในบริเที่มันร้อนถามว่าทรายดงไม่เน่าคำตอบของทีเบตคือยังไม่ตายยังไม่ตายสนิทนะ ค, คือเมื่อรถเนี่ยดับเครื่องแล้วก็จรงิงแต่เครื่องยังแล่นต่อไปได้นะซึ่งซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยในสารคดีของของ BBC Human Body นี่เขาเขา็เาถ่ายถ่ายรูปคนตาย โดยอาศั ย, ยอุณภูมนะิตายไปแล้วเนี่ยประกบว่าความร้อนยังมีอยู่ความร้อนยังมีอยู่นะเอกจากร่างกายเพราะว่ามันไม่ได้ตายหมดอวัยวะบางส่วนเซลล์หลายส่วนยังไม่ตายความร้อนก็ยังมีอยู่และความร้อนก็ค่อยหายไปสีแดงก็ค่อยหายไปกลายเป็นสีฟ้าสีม่วงในที่สุดก็คือไม่มีไม่มีอุณภูมิต่อไปนะนั่นอทำมาคิดว่าถ้าถามว่าตายเมื่อไหร่นะพุทศาสนาบอกว่าตายเมื่อ เมื่อจิตดับเมื่อจิตเอพูดาภาษาบ้านคือจิตออกจากร่างไปนะไม่ใช่ตายเมื่อทันทีที่หมดลมหรือว่าหมดหัวใจหยุดเต้นหรือว่ า, าสมองไม่ทำงานนะฮะอาจราคิดว่าอันนี้เนี่ยคือคือมุมมองของพุทธศาสนาซึ่งทำให้เราเห็นว่าการที่เราจะเกี่ยวข้องกับผู้ใกล้ตายเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนโคมา่าหรือคนที่เป็นผักเนี่ย บางทีเราต้องให้ความสําคัญมิติด้านจิตใจมากขึ้นแม้ว่าสมองเขาจะไม่ตอบสนองก็ตามแม้ว่าร่างกายเขาจะไม่ตอบสนองก็ตามอาตมาขอพูดทั้งนี้ก่อนนะฮะอาตมาอยากจะเริ่มต้นที่ตายดีก่อนนะฮะคือว่าตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีอยู่ส า, ส, าส่วนหรือว่า3ด้าน อันที่หนึ่งก็คือการตายดีในทางกายภาพเช่นไม่เจ็บปวดไม่ทุรนทุรายตายไม่น่าเกลียดนะตายสวยอวิชชาครบแล้วก็ไม่ไมเจ็บปวดนะอันที่สองเนี่ยในแง่ของสมถะภาพก็คือว่าตายท่ามกลางผู้คนที่เรารักตายที่บ้านหรือว่าได้สังเสียได้ ได้เคลียเรื่องค้างขาดใจนะฮะรวมทั้งมั่นใจว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ไปก่อภาระให้กับคนที่ยังอยู่หรือว่ามั่นใจว่าลูกๆจะสา ม, มัคคีกันนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัมปทาภาพซึ่งโยงไปถึงเรื่องของจิตใจอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของในเรื่องของจิตใจแล้วก็อารมณ์เรื่องจิตอินญาก็าคือ ตายด้วยจิตที่สงบเพราะว่าอยอมรับความตายได้ไม่คิดผักใสปล่อยวางสิ่งค้างคาใจต่างๆนะรวมทั้งสามารถที่จะใช้ความตายแล้วเนี่ยในการยกระดับจิตใจให้เกิดปัญญาหรือว่าความสว่างมากขึ้น พูง่ายคือว่าตายอย่างสงบด้วยจิตที่สว่างถามว่าในทงางพุทศาสนาเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดทงางพุทธศาสนาบอาอัสุดท้า ย, ยสาคัญที่สุดคนที่ตายสวยนะแต่ว่าขณะที่ตายเนี่ยห่วงนึกถึงลูกนึกถึงทรัพย์สมบัติรู้สึกผิดที่ได้ทำอะไรไว้แล้วยังไม่ได้คลังขาดใจถามว่าตายดีนะให้มี คนที่ตายแบบดีก็หมดลมไปเลยกลางดึกหรือว่าล้มพับลงไปตายแต่ในขณะนั้นกาลังฝันถึงถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวฝันร้ายนะหรือว่าไป น, นึกห่วงกังวลหรือนึกแคร์ใครสักคนในขณะนั้นอนะ่ะก่อนที่จะตา ย, ยถามว่าตายดีนะแม้ว่าตอนนั้นจะจะไม่เจ็บปวดอะไรเลยก็ตามนะคนที่อยู่ คนที่อยู่ถ้ำกลางนะเอาคนที่ตายแบบตายตอนแก่แต่ว่าต้องเป็นอมพลึกอมภาดสปีนะแล้วก็ทุรนทุรายนะเพราะว่าโรคร้ายเพราะปวดหรือเพราะสังคมลังเกียจ ต, ตายดีนะฮะเทียบระหว่างตายตอนแก่แบบนี้กับตายตอนยังหนุ่มยังสาวแต่ว่าตายแบบสงบนะอันไหนดีกันนะ หรือหรือว่าตายตายท่ามกลางตายท่ามกลางคู่คนคนรักนะแต่ว่าข้างเตรียมทะเลาะกั น, นว่าใครจะจ่ายค่าศพค่ารละคาพยาบาลมีความสุขไหมฮะตายดีไั้อย่งั้นในพะุทศาสนาเนี่ยถือว่าอันอสุรท้ายสวรรค์ที่สุดนะเพราะว่า ไอ้ความความการสงบในวาระสุดท้ายเนี่ยนะจิตไม่ทุรนทุรายไม่กระตุ้นไม่สาะประสาทเนี่ยเทคโนโลยีที่ไหนก็ทําไม่ได้ยาโมเฟนก็ทําให้ไม่ได้คนรอบข้างแม้ก็าปาถนาดีาก็ตามแม้จะมีพระอาหารหันต์มานั่งนุ่ข้างก็ช่วยอะไรไม่ได้มากมีเงินเท่าไหร่ก็สงบในภาวะสุดท้ายนี่หาได้ยากมาก นะและที่สคัคือในพื้นศาสนาเราเราชื่อว่าตายแบบนี้หละฮะจะนำไปสู่สุคติสุค ต, ติคือเราเชื่อว่ามันยัมีภพอื่นต่อไปจากภพนี้เมื่อตายงสงบนะก็จะไปสู่สุคติได้หรือแม้จะไม่มีภพหน้าไอ้ความสงบในภาวะสุดท้ายเนี่ยซึ่งอาจจะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีหรืออาจจะ เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเนี่ยมันมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้นะและความสงบแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางความเจ็บปวดทางกายบางครั้งเกิดขึ้นท่ามกลางท่ามกลางบาดแผลนะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นท่ามกลางความ ทำกลางทุกขเวทนาทางกายแต่สามารถจะทำใจให้สงบและไปสู่สุขติได้ในสานพุตการเนี่ยมีพระมีพระาราทบางคนเนี่ยซึ่งซึ่งถูกไฟไหม้นะถูกถูกถูกนั่งอิจฉาเนี่ยนะมาหลอกฆ่าเผา ลอบวางเพลิงในอาคารนะในทางสายตาลุยไปบอกโอ้คนนี้ตายไม่ดีเลยไม่เป็นเป่าต๊กโกนะแต่วพระพุทธเจ้าตรัสว่าการตายของของเธอคนนี้พระนางสามาวดีเนี่ยเป็นการตายที่ไม่สูนยเปล่าเพราะว่าในขณะที่ไฟกําลังลุกท่วมตัวเนี่ยพิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนา ยกจิตอยู่เหนือเวทนายกจิตเหนือทุกขเวทนาทา ง, ทางกายได้และได้เป็นภาริยบุคคลนะในในในทุกวันนี้เนี่ยนะเราได้พบว่ามีหลายคนซึ่งเขาเขาเจ็บปวดเพราะโรคร้ายเช่นมะเร็งนะแต่ว่าเขาสามารถที่ไปอย่างสงบได้ บางคนเนี่ยไม่ไม่ใช้ยาไม่ใช้ยังไม่ใช้ยาระ ง, งับปวดด้วยซ้ําอย่างคุณพ่อของคุณหมออมารามารีลาซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตอนหลังที่หันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วคุณหม อ, อมารลาก็ได้ช่วยประคับประคองคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้ใช้ยาระ ง, งับปวดแนะเป็นมะเร็งก็ไปอย่างสงบยันถามว่า ความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาทางกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการที่ทําให้ใจใสงบได้เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่เราถือว่าไม่ว่าจะจะตายสวยตายไม่สวยไม่ว่าจะเจอโลกที่มันทุกขโทรมาทางกายก็ตามหรือแม้จะตายอยู่คนเดียวก็ตามเนี่ยอันนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าเราตายอย่างสงบเราสามารถที่จะผ่านแล ะ, ะเผชิญความตายไปได้ ด้วยจิตใจที so ่ไม่ทุรนทุรายเพราะเราได้ยอมรับความตายเพราะเราได้ปลดเครื่องสิ่งค้างคาใจไม่มีความกังวลเพราะว่าสามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติแล้วก็ไปอย่างสงบได้เมื่อสองปีที่แล้วก็มีพี่สาวของเพื่อตมาชื่อโยมพันธ์นะฮะ จะเป็นมะเร็งมะเร็งมะเร็งเต้านมเป็นครั้งที่2องคือหายไปขั้นที่นู้นก็เกิดขึ้นมาใหม่และในหลองที่เป็นนี่ก็พยายามรักษานะด้วยวิธีการหลายวิธีทั้งธรรมชาติบำบัดแล้วก็ทั้งแมกโครนะแล้วก็การแพทย์แผนใหม่ด้วยแต่สิ่งที่โยมพันธ์ได้ทําส่วนก็คือการฝึกปฏิบัติธรรมทาสมาธิพาหนาแล้วก็การพิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิต แล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ความคิดว่าจะหายก็ต้องผิดหวังเพราะว่าโรครายก็ลาไปเรื่อยๆแล้วยังมีโรคแทรกขึ้นมาก็คืออา่อาที่สุดท้ายเนี่ยเจ็ดวันสุดท้ายที่บอกว่าท่อน้ำดีเนี่ยมันอุดตันนะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยโยมพันแกบอกแกไม่รักษาแล้วตอนนั้นแกไม่ทราบว่าแกจะแกจะตายเมื่อไหร่นะแกบอกแกไม่รักษาแล้ว หมอก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าไม่รักษาก็หมายความว่าไอพิษในตับเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นและเท่าที่หมอบอกนะก็หมอกว่าเนี่ยคนไข่แบบนี้เนี่ยจะต้องตายมีสองอย่างคือถ้าไม่หมถ้าไม่ซึมหมดส ต, ติก็เพลอกรนะ่งนะแต่ว่าโยมพันแกก็ตัดสินใจว่าถ้าจะตายนะ ก็อยากตายด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนะก็เลยปฏิเสธการรักษาเพราะว่าทำมามากแล้วแล้วก็ทำหลายครั้งก็สุกเจ็บปวดมากก็หันมาหันมาประคับประคองนะทั้งทางกายและทางใจทางใจเนี่ยนะก็อาศัยอาศัยครอบครัวอาศัยพี่น้องสามีเพื่อนลูกได้มาช่วย ธรรมดาคนของค น, ค น, คนป่วยเนี่ยมีความสุขมากเมื่อเห็นญาติพี่น้องลูกหลานเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆแต่ว่าโยมพันแกก็ไม่ได้ทำแค่นั้นลูกที่ญาติพี่น้องก็ชวนโนะยมพันสวดมนต์ด้วยเนะช้าเย็นเช้าเย็นให้พิจารณาในะะที่สวดมนต์แล้วก็มีการทำบุญใส่บาตร ปรากว่าจนทั่งวันสุดท้ายเนี่ยนะแกเกิดแอร์แอร์ฮังเกอร์นี่นะน้องเนี่ยซึ่งเป็นพยาบาลก็รู้ว่าแกอยู่ไม่นานแต่ปกุมน้องน้องก็แปลกใจว่าโยมพันที่มีสติดีมากนะน้องซึ่งเป็นพยาบาลมาทักก็จําชื่อได้นะหนึ่งวันสุดท้ายก่อนที่จะเสียนะยาพี่น้องก็ น้อมใจให้แกระลึกถึงพระตนัตไตรว่าแม้ว่ากายเนี่ยเราจะคุมไม่ได้แต่ว่าใจเนี่ยเราสามารถที่จะประคับประคองได้ขอย ใ, ใจได้น้อมถึงพระตนัตไตรให้ถือว่าพระตนไที่อยู่ในใจเราแกก็พิจารณาตามแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายตอนเที่ยงเนี่ยแกก็ยังบอกว่ายังขอกินอาหารอยู่เลย เพราะว่าไม่ได้กินมาสองสาวันแล้วแต่กินไม่ได้สามคำแวก็ไม่ไหวแล้วก็ก็นอนระหว่างนั้นที่บ้านเนี่ยก็สวดมนต์ให้กันให้เรียกว่าสวดมนต์นับโมแบบจีนนะฮะนับโมออนิถอหุกนะหรืออัน์โมอมิตรมิตตาพุทธนะพันจบระหว่างที่สวดกันอยู่เนี่ยแกก็ยังพอจะรู้สึกตัวได้แม่มาก็ พูดคุยก็ทำท่าตอบสนองได้นะแต่ระหว่างสวนเนี่ยไม่เร้าหมดลมไปตอนไหน ท, ทั้งที่ตอนเที่ยงเนี่ยชั่วโมงหรือสองชั่วโมงกว่านั้นนะข อ, อกินข้าวอยู่เลยและก่อ น, นนั้นๆหนึ่งชั่วโมงก็ยังก็ยังรู้สึกตัวตอบสนองคำพูดของพ่อของของแม่ได้แล้วก็ไปอย่างสงบซึ่งหมอก็แปลกใจว่าตามตาม ตามวินิจฉัยของหมอเนี่ยคนที่คนที่ไม่รักษาคนที่ตับเป็นพิษอย่างเนี้ยมันต้องตายถ้าไม่ไม่รู้ตัวซึมไม่รู้ตัวก็ต้องเพลิดเพลินแต่ว่าแกไม่มีทั้งสองอย่างคือไปอย่างสงบนะเหมือนกับไฟที่ค่อยๆลีแล้วก็ดับไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างของของของผู้ป่วยซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยนะน่าจะทุกข์ทรมานนะ ทั้งทางกายและทางใจแต่ปรากว่าโยมพ่านนี่ก็ไม่ได้มีอาการที่ทุกทรมานทางกายเท่าไหร่ลแล้วก็ทางใจนี่ก็รู้ตัวเกือบจะเกือบจะชั่วโมงสุดท้ายนะหรืออาจจะเกือบนาทีสุดท้ายก็แต่เพราะเราไม่ทราบว่าขนาคนที่สวดยวงค่ายุ่ยเยไปตอนไหนเพราะว่าไปอย่างไปอย่างไปอย่างสงบแล้วก็เนียนมากนะไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการอะไรนะและพอรู้ว่าพอรู้ว่าพอรูวร่หมดลมแล้ว ญาพินนองก็ยังสวดต่อไปให้ครบพันจบถือว่าเป็นของขัญครั้งสุดท้ายที่จะให้แก่แก่โยมพันตัวอย่างแบบนี้เนี่ยมีมีเยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าวิธีการแต่และ ว, วิธีการก็ไม่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ความตายอย่างสงบแม้ว่ากายเนี่ยจะทุกข์ทรมานเนี่ยหรือว่าแม้ว่าจะเจอโรค ล, ลายเนี่ยมันเป็นไปได้นะหรือว่าแม้กระทั่ง ไฟลุกท่วมตัวเนี่ยแต่ว่าใจสงบเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงสมัยปรการแล้วนะเราคงจำได้เมื่อประว่า 2,206 เนี่ยพราวเวียดนามเผาตัวเองใช่เอาน้ำมันเนี่ยลาดตัวาดราดทั้งตัวแล้วจุดไฟเผาสงบมากฝรั่งที่เขาเป็นนักข่าวที่ก็ททำข่าวลูกนี้เาก็แปลกใจว่าทำไมสงบนิ่งอย่างนั้ น, นอันนี้ก็หมายความว่าจิตที่สงบที่สามารถเกิดขึ้นได้แม้ท่ามกลางทุกข เ, เวทนาทางกาย เราจะมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญนะที่ทำาพื่ศาสนาเรียกว่าตายดีคราว น, ะนี้ตายดีเนี่ยมันเป็นไปได้แม้กระทั่งเด็กนะฮะตายดีนี่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะไม่จาเป็นจะต้องเป็นพระไม่จำเป็นต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมคนธรรมดาก็ได้ทีเ่เมื่อ 3-4 ปีก่อนที่หัน ที่โรงพยาบาลสุขานนท์คลิกก็มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นมะเร็งนะแล้วก็อาอยุสิบขวกเท่า น, นั้นเองนะแม่ก็เป็นคนสนใจธรรมะก็พยายามที่จะชักชวนลูกเนี่ยให้ให้สนใจธรรมะพาไปสวนโมกนะแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องความตายนะเด็กแกก็พอเข้าใจนะเสร็จแล้วพออาการพออาการเริ่มจะหนักเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ ก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยจนถึงว่าสุดท้ายเนี่ยแกก็อาเจียนออกมาเป็นเลื อ, อดตกใจแล้วก็ถามพยาบาลว่าน้องน้อง อ, องจะตายแล้วหรือไม่ใช่น้อง อ, องนะค์พยาบาลเนี่ยซึ่งอยู่ออกแกมาตลอดนะก็ไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ได้ปลอบใจว่าน้อง อ, องคจะไม่ตาย พยาบาลก็ตอบว่าน้องใช่นะน้องออกกำลังเงตายแต่น้องออกไม่ต้องกลัวนะน้องออกเป็นคนกล้านะอาจารย์พุทธทาสอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วนะขอให้น้องออกเนี่ยเดินเข้าไปข้างหน้าอย่าไม่ต้องกลัวแม่ก็จะช่วยป้าป้าคือพยาบาลก็จะช่วยน้องออกด้วยนะระหว่างนั้นแม่นี่ก็ ก็จับมือลูกแล้วก็ชวยลูกเนี่ยได้สวดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแกก็พอทำได้นะฮะแล้วแกก็จากไปอย่างสงบเหมือนกันนะฮะอาตมาได้ทราบว่าที่ที่นี่ก็มีเด็ดกก็มีกรณีเด็กอายุ4ีขวบใช่ไหมฮะแล้วก็ทางทางพยาบาลที่นี่ก็ช่วยประคับประคองให้แกไปอย่างสงบด้วยเหมือนกัน แต่ใช้วิธีแบบธรรมดาใช้วิธีแบบที่ไม่ต้องอาศัยธรรมะเลยนะคือเด็กแกปวดมากใช่แล้วก็ตกใจใกล้จะตายพยาบาลก็อาศัยการนำภาวนาเรียกว่านำจินตนาการนำสร้างจินตภาพเด็กชอบอุตรแมนอุตรแมน พยาบาลก็ให้น้องให้ให้น้องคนนี้เนี่ยแกแกจินตนาการนะว่าจะไปซื้อไปซื้ออุตราแมนกันนะก็พูดนำไปนะพูดนำไปเด็กก็เด็ ก, ก็นำตามเด ก, ก็จินตนาการตามไปถึงไหนนะก็บรรยายให้ละเอียดจงถ้าไปซื้อไปไปที่ไปซื้ออุตราแมนนะระหว่างที่จินตนาการนี่เด็กก็หายกระสับกระส่ายนะหายกระสับกระส่าย แล้วก็พยาบาลก็ถามถามแม่ถามแม่ว่าเนี่ยเด็กเขารู้จักเ้านับถือหลวงพ่อองค์ไหนไหมแม่ก็บอกว่านับถือหลวงพ่อองค์เนี้ยพยาบาลก็นำจิตนากรารก็ต่อไปว่าเ ร, เราไปกราบหลวงพ่อองค์นี้กันนะเด็กก็ไปยังไม่กระกาสับกระส่ายเลยนะตอนที่ก่อนหนอนนี้นี่นกระกาสับกระส่ายมากแล้วก็สอสามชัม่วโมงจากนั้นก็ไปอย่างสงบเหมือนกันคือ คือกำลังจะพูดว่าตายดีเนี่ยนะคือตายอย่างสงบและมันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะโดยและไม่จำกัดไม่จากัดการศึกษาไม่จำกัดนะประสบการณ์ด้วยแต่ทีนี้ก็ต้องอาศัยสิ่งแวด ล, ลอ้อมอาศัยพยาบาลอาศัยญาติมิตร นะที่เข้าใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาอตมามีใจที่ทางคณะแพทยศาสตร์ที่นี่เนี่ยจะพยายามที่จะให้ความสนใจกับเรื่องมิติด้านจิตใจเพราะว่าการที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมี2ด้านนะหรือการที่จะบรรเทาอาการน่าจะมี2ด้านคือทั้ทงทางกายและทางใจ ในทางใจเนี่ยสมาธิมันมีอยู่มันมีหลักๆอยู่สี่ประการด้วยกันนะอันที่นี่คือการให้ความรักคนเราเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยเราก็ไม่ได้ป่วยกายเนี่ยเราป่วยใจ